กราบขอโอกาสคุณเจ้าคุณแม่ชีแล้วก็สาธ ม, มิกนะฮะ เ, เรื่องที่จะผมพูดจะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำไมเราทุกข์หลวงปู่หลวงปู่เทียนเนี่ยแล้วก็หลวงปู่ดูล็พูดเหมือนกันบอกคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิด พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไปนานละท่านบอกสเสพสังขาราทุกขาการคิดปรุงแต่งทั้งปวงนี่เป็นทุกข์แต่เรามาแกะแปลว่าสังขารล่งรวยที่จริงมันเกี่ยวกับสังขารทางด้านจิตหลวปู่มั่นก็พูดทํานองนั้นว่ามันเริ่มที่จิตแม้แต่ศุนพรณผู้ก็ยังบอกว่าจิตจิตสันดาลคือสังขารตัวนี้ คือสังการที่ทำให้ทุกข์จิตสันดานก็คือมันเริ่มที่จิตนี่แหละแล้วถ้าทำยังไงถึงจะเห็นมันได้ก็พระุทเจ้าก็ให้หลักไว้แล้ ว, วมีสติปัญสี่นะจะเป็นย้อนรอยภาษาฝรั่งเขาเรียก reverse engineering ทำให้เราย้อนรอยไปได้ว่ามันเป็นไงมาไงเห็นกายเวทนาจิตธรรม นะครับกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพญานังวร์เรียกว่าเป็นนิวาสเป็นที่อยู่ของชีวิตจิตใจนะเรามีสติความรู้สึกตัวเนี่ยอาตาปีสันปชาโนสติมาเหตุ ค, ความเพียรเผากิเลสมีสติและก็สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยย้อนรอยเข้าไปที่ากายเวทนาจิตธรรมหรือผูกสติไว้กับ การเคลื่อนไหวเป็นต้นในยาบุดย่อยคือความรู้สึกตัวนี้ก็ป ก, กติว่าจะรู้สึกตัวในในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็จะเห็นที่มาของทุกเนี่ยมันมาจากความคิดนี่เองที่ทางพระท่านเรียกว่าปฏิจจสมบปบาบาทนะฮะคือวงจรของความคิดก็มักจะแปลว่าวงจรขอ ง, งกรรมเอากองเกวียนแห่งภพชาติ หรือกงกงกรรมกองกรรมแห่งภพชาหรือกงเกวียนแห่งความคิดชีวิตจิตใจเนี่ยมันเริ่มเป็นจุลภพที่จริงมันเป็นจุลภพมันเริ่มจากอาวิชชาก็จรจริงวันปฏิสัมภารก็คื อ, เ, อเหตุปัจจัยที่หนุนเนื่องกันสิ่งนี้มีจึงสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีสินั้น อ, อ, อ, อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยาการเป็นหลักของพุทธศาสนา ที่ว่าเป็นปัจจัยาการนะครับคือว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเกิดมา ล, ายลอยๆไม่ได้จะเป็นพรนิพพานเกิดอยู่แล้วมันไม่เกิดไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรุงแต่งมันมีพร้อมมันอยู่แล้วพรนิพพานเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นๆในจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะเป็นตรายลักษณ์นิ จ, จังทุกขังอนัตตาก็ เวทศบาต ท, ที่จริงก็เป็นหัวใจของอริยสัจสี่นั่นเองสายเกิดที่เราจะพูดกันแล้วก็มีสายดับถ้าเราดับตัวไหนตัวหนึ่งในสิบสอห่วงนั้นมันก็จะดับของมันเองก็เป็นสายดับเพราะว่าเราจิตแอมจิตยังแจมแจ้งนะครก็เป็นมรคนี่แหละที่หลวงปู่ดุลก็พูดถึงผลที่จิตแอมจิตยังแจมแจ้งก็เป็นนิโรธคือนิพพานนั่นเองจิตจิตสออนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิต สงอกนอกเป็นทุกก็คือเหตุและผลนะฮะเหตุและผลแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะนำผลมาให้แสดงก่อนเพราะว่าเหมือนคนไข้ามาหาหมอมันมาด้วยอาการแล้วหมอต้องวินิจฉัยเหตุมันอยู่ที่ไหนถึงจะวางยาได้ถูกต้องนะเพราะนั้นก็ถึงพูดถึงผลมาก่อนมาด้วยอาการก็รักษาให้ยาอันนี้ก็ย้อนมาที่ป็นจัสมุบิก็คือสายเกิดก็คืออา่า ทุกและสมุรทรสมุทรไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ข้อ2เป็นเหตุขงข้อหเป็นสายเกิดของปฏิบัติสายดับก็เป็นข้อ4ก็คือมรรคมรรคเนี่ยก็เป็นเป็นเหตุให้เกิดผลก็คือนิโรธนะครับก็ก็สีเป็นเหตุของ ข, ข้อ3านั้นจะเห็นว่าเป็นปัจจยาการทั้งหมดเลยอันนี้สิ่งมีชีวิตก็จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ถ้าสิ่งไม่มีชีวิตก็รวมไปด้วยกับสิ่งมีชีวิตก็เรียกว่าอิทัิปัจจยตานะเป็นกฎของเหตุและผลบางทีก็เรียกลมถ้าเรียกวมสําหรับมนุษย์และสัตว์ก็เรียกว่าอิทธิปัจจยตาปจัจจยสมบปาปาโทปิจจสมบบานคือเป็นเป็นหลักของเหตุและผลแล้วก็เป็นห่วงของของขอ ง, ของกลมกวงของชีวิต โครงกา ร, รของชีวิตรรของเกวียนขอ ง, ขอ ง, ข, องของความคิดจิตใจก็เริ่มที่อวิชชาเป็นห่วงแรกอวิชชาเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรคนที่ไม่ร่ำเรียนอาจจะเป็นคนฉลาดที่สุดก็ได้นะหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่รู้หนังสือไทยแต่แรกแต่ทําไมท่านไปรู้ธรรมสูงสุดได้ มันเป็นภาษาธรรมมันไม่ได้เป็นภาษาใจนะอย่างผมก็รู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาจีนนิดหน่อยสองํามคำภาษาไทยนี่คล่องแคล่วนะแต่ภาษาเยอรมันนี่ก็ไม่กระเดกหูเรียนมานิดหน่อยภาษาฝรั่งเศสนี่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วแต่ว่าหลวงพ่เทีก็รู้ภาษาลาวนิดหน่อยแล้วก็รู้ภาษาขอมิดหน่อยเพราะเคยบวชอยู่ แต่ว่าไม่ทราบไปเขียนได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องมาเรียนภาษาไทยใหม่หลังจากรู้ธทำแล้วแต่ภาษาใจนี่ท่านไม่ต้องไม่ต้องเรียนที่ไหนท่านปฏิบัติเรารู้ขึ้นมาเลยแล้วท่านอธิบายปฏิสัมมุบะได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอฟังกคำอธิบายมาก็จะถ่ายทอดให้ฟังด้วยวิชานี่ส่วนใหญ่ก็ <c oughs> จะไม่ค่อยพูดกันว่ามันคืออะไร ในพระสูตรจะมีว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงๆก็คือความโง่แหละคือไม่รู้อรยสัจสี่เมื่อกี้พูดมาแล้วนะทุกสมุทัยนี้รดมรรคสี่ข้อไปแล้วข้อที่หคือไม่รู้ส่วนอดีตคือไปติดอยู่ในความคิดของอดีตข้อที่6คือไม่รู้ส่วนอนาคตคือไปติดอยู่ในความความคิดในอนาคตคือใจลอยฝันหวานไปโน้นน่ยและข้อที่7นี่ก็คือไม่รู้ส่วนอดีตและอนาคต คืบางทีความคิดนี่มันต่อเนื่องเฉันไม่ชอบหน้าคนนี้พรุ่งนี้ต้องไปเจอโอ้โหมันคิดึย้อนหลังมันเคยยืมเงินไว้เมื่อสิบปีก่อนคิดไปถึงพรุ่งนี้ต้องไปเจอมันอีกแล้วต้องทวงซะหน่อยในความคิดมันย้อนไปมาถึงข้างหน้าเลยแล้วก็ข้อที่แปดคือไม่รู้ปฏิสัมพันธ์ก็กลับมาเรื่องเก่าที่จริงคือไม่รู้ปัจจุบันว่ามันเกิดมาจากเหตุและผลที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ คือเหตุและผลสิ่งที่มีสิ่งนี้จึงมีอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันคือเห็นเหตุและผลคุณคุณตั้งใจปฏิบัติธรรมถึงมาทําวัดวันนี้มาฟังธรรมวันนี้อะไรเงี้ยมันมีเหตุและผลไม่ใช่อยู่อยู่อยๆขึ้นมาคือที่เรียนแล้วมีสิ่งเดียวที่ที่เกิดขึ้นเองอยู่แล้วไม่เกิดไม่ดับตั้งอยู่แล้วอ่าไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็คือนิพพานอันนั้นมีสิ่งเดียวที่เหลือมันมีเหตุและผล บางทีบางท่านเนี่ยจะเน้นว่าให้อยู่กับปัจจุบันแต่หลวงพ่อเทียนเขาบอกว่าอย่าแต่จอย่าไปติดปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันมันก็เคลื่อนย้ายเป็นเหตุและผลต่อเนื่องกันไปไม่ใช่หยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราฟังแล้วเอองงว่าไหนบอกให้อยู่กับปัจจุบันแล้วทําไมบอกอย่าไปติดปัจจุบันปัจจุบันมันก็มีการเคลื่อนไปเรื่อยๆเช่นเห็นเมฆตรงนี้มันก็ย้ายไปละไปลอยไปตามลมอีกแล้วตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็เป็นวิชาสรุปก็คือว่า จิตมันโง่มันก็มีลุมเร้าด้วยโลภโกรธหลงอยู่ในใจ ấy. มีอัคติอคติก็มีอยู่สอย่างคือโลภโกรธหลงแล้วก็อันที่สี่คืออคติด้วยความกลัวคือคือคืออีโก้หนิคืออัตตาโลภโกรธหลงเราก็รู้ใช่ไหมแล้วก็วกอคติก็มั น, ม, นมันเข้าข้างตัวเองอหรือลําเอียง คือมัน bias ภาษาฝรั่งมันพูดง่าย bias นะเพราะเราเพราะเราไม่เห็นความคิดเราจะมี bias ตลอดเมื่อมันมีวิชาหรืออคติอยู่ในใจเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสังขารสังขารสังขารคือความคิดปรุงแต่งภาษาชาวบ้านพูดง่ายความคิดนั่นแหละคือ impulse มันมันตะกิดตะกิดอยู่ในใจฝรั่งเขเรียก mental impulse กันแรงผลักดัน ในใจมันใจมันไม่อยู่นิ่งละเพราะมันอนยอมโดยลบกดหลงแล้วก็กลัวเป็นต้นอันต่อไปมันก็จะไปอันนี้อันที่สองนะอที่สา ม, มันมันก็ไปยอมจิตยอมวิญญาณอันที่สาเรียกวิญญาวิญญาณในที่นี้อ่ะก็คือมโนวิญญาณนะฮะคือใจนี่เองมโนวิ ญ, ญไม่ใช่ไม่ใช่จักกุวิญญาโสตวิญญาณนัยังไม่ถึงจุดนั้นมโนวิญญาคือใจแท้แท้นี่ย ภาวะกับจิตที่เราเกิดถึงดับเนี่ยเกิดมาจนตายเนี่ยไม่มีจิตที่มันรองรับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเนี่ยมาถึงตายเนี่ยจนไปจะไปไปอุบัติที่อื่นหรอไงอย่างเงี้ยมันก็เป็นจิตพื้นฐานเนี่ยมันโดนยอมแล้วมันดนคือปกติจิตภาวะกัจิตมันจิตหลับนิ่งเนี่ยมันไม่ไม่มีการกระตุ้นพอโดนกระตุ้นเนี่ยมันก็ยกวิธีจิตล่ะวิธีจิตขึ้นมาแต่จิตนี่มโน มันก็ก็เป็นเป็นมโนถวานวัชนจิตคือมันมันมันโดนยอมได้ง่ายมันก็คิดของมันเองได้ด้วยน ะ, ะมันไม่ต้องออกมารับรู้ข้างนอกมันก็สามารถรู้เรื่องของคนอื่นไนดะ้ตาหูาจะเล่าต่อไปคอตาหูจมูกลินกายเนี่ยก็มีวิญญาณส่งต่อมาให้มนโนวิญญาณนี้แต่นี่นี่วิญญาณโดนยอมโดยอวิชชาโดยสังขารเนี่ยความคิดปรุงแต่ง ออวิญญาณก็สร้างต่อมาขันที่สี่ก็คือนามรูปนามมารูปนะฮะอ่านว่านามารูปแล้วไม่ใช่นนะรูปมนะรูปและลแะนามด้วยไม่ใช่นามและรูปด้วยนามมารูปหลวงพ่อเทียนนี่เน้นเลยนามารูปก็แปลว่าอะไรแล้วทุกแห่งในปฏิสบะจะต้องเขียนว่านามมารูปไม่ใช่รูปและไม่ใช่รูปนามไม่ได้ด้วยต้องนามรูปเห็นไว้แล้วไม่มีไฮเอนไม่มีอะไรอ่านว่านามมารูป เป็นเป็นสมาท์กันอยู่คือรูปของนามนามก็คืออะไรใจนะรูปของนามมันคืออะไรรูปของนามรูปของใจคืออะไรความคิดนความคิดคือ i m a g มจอิมเ n จจินตนาจินตนาการคือภาพคือภาพของอัตตาตัวตนล้วสร้างเขาเรียกเ e l ล Image h o โ o g r a กรท่านเก็บมานั้นแทา เรียกว่าท่านโควิดเค็บมาแลลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนเหมือนกันท่านเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นนักเขียนนมตรก่อนก่อนท่านอาจารย์ไปสาลสักสามสี่ปีเป็นนักเขียนนมบตรเหมือนกันผมเคยพาที่ไปที่เซนหลุยที่อาร์ตมิวเซียมท่านชอบเรื่องอาร์ตพอดีวันนั้นฝนตกก็พาไปที่สวนสัตว์ซึ่งมีร้านอาหารอยู่แล้วสวนสัตว์ก็มีห้องแสดงเป็นรูปลอย วคนเคยเห็นแวโฮโลแกรมที่ก็สายแสงเลเซอร์ผ่านรูปข้างในเลนเนียแล้วมันจะลอยอยู่กัาอากาศลอยอยู่ในตอนนั้นเป็นหัวกะโหลกไม่ใช่หน้าคนมนุษย์ต่างๆเช่นเผ่พาพันเผ่าพันโฮโมเซเปียนคือมนุษย์แล้วโฮโมอีเรกเตสซึ่งมันบนรรพบุรุษก่อนเราคือไม่อาจจะไม่ได้โดยตรงแล้วก็มีพวกเนียอ th เดอร์าวด้วย กลุ่มหนึ่งสามมันถ้ามองไปแต่ละมุมก็จะเป็นหนึ่งเป็นมุมต่างๆลอยอยู่เป็นรูปต่างๆจากเลนนนั้นเดียวกันเนี่ยลอยใอยนอากาศผมจะชวนอาจารย์อาจารย์มานี้มาดูนี่เป็นสีเขียวเขียวลอยในอากาศแล้วผมก็คว้าในอากาศอารดูนี้กับอากาศเปล่าแต่มันลอยอยู่ตรงนั้นเหมือนเราดูหนังไงสามดีเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยมันลอยมาแนละ้วเราก็จับไม่ได้เลยแต่มันพุ่งม า, าเรา อาจารย์บอกว่าอะไรนชะี้นี่แหละครับอัตตานี่ยแหละนามารูปอนะไรคือรูปของนาคืออัตตาเนี่แหละนามารูปนะคือ Image จ e l ล image เมจโ g r a m าอาจารย์เรียกว่าเซลล์อิมเ o จโฮโลกราฟน่นก็ถามมันก็เรียกอะไรนะครับคุณหมอไม่เคยเห็นเรียโฮโลกราครับคืนนั้นก็พอดีท่านเทศรีวัตระสีรัตนานรามที่เซนหลุยให้บอกนะบอกฝรั่ง Self-image hologram นี่ก็คือนามารูปคือรูปที่เราสร้างมาเป็นจินตนาการนี่แล้วมันก็อัดเปรียะไปในทุกอย่างต่อไปนี้คือสลายตนะในในตาหูจมูกลิ้นกายที่ตามมาเนี่ยอัดด้วยเนี่ยเซอร์เมทอลกร์มสร้างรูปไปแล้วไปรองรับไปแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดอะไรเห็นอะไรนี่มันเข้าข้างตัวเองละเห็นรูปตาราทีวีไอคนนี้ฉันเกลียดหน้ามันจังเลยไม่เคยเจอเขาซะหน่อย บันไซมันละเกิดมันไปแล้วแม่ชอบพระเอกคนนี้จังเลยหล่อแล้วเกินอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย ม, มันมั bias นมีไบเอสมีอคติที่มันต้องเริ่มจากอภิชามีอคติมาแล้วมาถึงตรงนี้มันเต็มรูปเลยเพราะมันมีเซลล์แอมอชโอลอกรแกรมเนี่ยคือนา ม, มารูปไปรองรับไปอัดอยู่ในทางตาหูจมูกเล่นกายของเราเนี่ยที่ใจด้วยคือรับอะไรเนี่ยผิดวยะห ก็เกิดภาษาที่ภาษาที่ที่หลวงพ่อพระเจ้าภาษะโง่คือมันไม่ภาษะเพียวๆภาษาโง่ภาษาทําไมสําคัญมีพระสูตรหนึ่งพระเจ้าตัดถามเลยว่าอะไรคือเหตุของกรรมกอมัน <c oughs> ตอบให้ด้วยบอว่าภาษะคือเหตุของกรรมก็จะดับกรรมได้ไงก็ดับที่ภาษา หลางพ่อพุทธทาก็เอามาถูกนะผัสสะงโง่ไม่ต้องดับที่ผัสสะผัสสะก็เกิดไรเวทนาผัสสะนี่คือคอนแทคนอย่างผมจับไมโครโฟนผัสสะเวทนาคือฟีลิ่งไม่ใช่ว่าน่าสมเพชนะเมื่อกี้สังขารก็ไม่ใช่ว่าร่วงโรยมันความคิดความคิดปรุงแต่งหลวงพ่อเทียนนี่เน้นจุดนี้มากความคิดปรุงแต่ง นามรูปนี่บางแห่งบางท่านนี่ก็จะแปลส่วนใหญ่จะแปลไปว่านามและรูปหรือรูปและนามซึ่งมันมันเอาฟคอนเท็กซ์มันไม่เข้ากันอ่ะคือเราดูอ่าแล้วก็เออเหมือนตึกเลยกาไม่มาเกี่ยวอะไรตรงนี้ยังพูดถึงเรื่องจิตอยู่ยยยยยยๆก็ลอยมาปึกไปแล้ะไปถึงรื่องบางแห่งก็จะบอกว่าหลวงพ่อเทียนบางแห่งก็พูดว่าได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาล่วมไปหมดเลย แต่จริงๆก็คือรูปของความคิดนั่นเองก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบสมัยภาษาอังกรากก็พอกนามมารูปจริงก็คือขันท่าซึ่งมันก็รวมทั้งรูปและนามไปด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็คือผมพ่อเตียอธิบายได้ดีที่สุดคือหมายถึงว่าคือเนี่ยรูปของนามก็คือคือความคิดนี่เองอะจินตนาการขึ้นมานีก็คือทำให้เราคือเรได้ฟังท่านเขมรัญชาท่านพูด เซลล์เมตรโอลโกรมนี่ชัดเจนเลยเป็นรูปรอยขึ้นมา้อยลวงไม่มีจริงแต่มันก็เหมือนจริงมันก็ทำให้เราฟุ้งซ่านไปตามจินตนาการภาษาเวทนาฟีลลิ่งก็มีไบเอสมดมีอคติหมดนะชอบสิ่งนี้แงมันเป็นเจอสิ่งนี้แล้วเป็นสุขแล้วเกินกระเป๋าลวกนี้สวยแล้วเกินรองเท้าพวกนี้สวยแล้วเกินมันก็วิ่งตามเรามาละ ถึงบ้านเรียบร้อย feeling คอน t ทล feeling ภาษาเวทนาตัณหาอุปทานเนะีมันเกิดตัณหาขึ้นมาแล้ว craving แตัง craving ตัณหาคืออะไรภาวะตัณหากามาตัณหาสิ่งเราอยากได้ที่ผ่านทางการรคุณห้ารู้จักใช่คือทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ทำให้เราเกิดการรคุณอยากได้ทั้ง ทางสิ่งที่เราสัมผัสใ น, ในในอายตนะทั้ง5า้าแล้วก็ภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาคือคือคืออยากมีอยากเป็นภวะตัณหาวิภาวตัณ ห, หาก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นไม่ชอบไอ้เจ้านายคนนี้หนีไปไหนไม่ได้ต้องหาวิธีออกจนได้ทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นทุกข์นะ แต่เวทนาแต่ก็มีตัณหาและอุปทานใช่ไหมอุปาทานอุปทานก็คือสร้างความ เ, าเกิดภพเกิดชาอุปทานสร้างความเป็นตัวตนขึ้นมาอุปทานแล้ว ก, ก็มีส่วนบรรจุปาทานคันธาทุกขาเช้าเย็นก็จะมีเนี่ยอริสัทข้อแรกนะสำคัญนะฮะขั้นหน้าเป็นที่สร้างความยึดมั่นถือมั่นคือทุก ได้แก่รูปูปาทานะขันโทเวทนปาปาทานะขันโทสัญญปาปาทานะเนี่ยก็ไล่มาเลยคือคือท่านไม่ได้เว้นไว้ท่านพูดปัญญายไว้คือยอ่อคือว่านี่รูปคือทุกขเวทนาคือทุกได้แก่เนี่ยก็คือแม้ทุกตัวเนี่ยสัญญาเป็นทุกขสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกขอุปาทานะขันขันห้าตัวมันเองก็ทุกอยู่แล้ว ยิ่งเป็นยึดว่าเป็นตัวตนเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมาเข <c oughs> <c oughs> าเรียกจริงๆมันไม่มีมันเป็นปุคละสุญญตาจริงๆมันไม่มีนักวิทยาศาสตร์ ป, ปัจจุบันก็พบว่ามันไม่มีแต่เราไปสร้างขึ้นมาเพราะขณะที่เรารับรู้ภาษ า, าฝรั่งเขาเรียกว่าขณะที่สมองสร้างจินตนาการของภาพพจน์ ของสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเช่ขวดน้ำเนี่ยพร้อมกันนั้นก็สร้างความเป็นอัตตาตัวตนไปด้วยกันพร้อมกันไปเลยว่าเนี่ขวดน้ำของผมแล้วคุณอย่ามาหยิบผมตื่นไปแล้วด้วยน้ำนี่อร่อยที่สุดอย่ามาอย่ามาหยิบอย่ามาอย่ามาแยกไปไม่ได้มันสร้างพร้อมกันไปแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่อย่า ง, งั้นมันสองสองขั้นตอนอมันจริงๆมันเป็นในมหาสิบสานสูตร จะมีพูดไว้แต่ว่าแต่ละวรรคเนี่ยยาวมาต้องค่อยๆหลอกออกมาเพราจึงมันเริ่มได้สลายจัตนาเกิดจัตนา6ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเกิดพัทธะเกิดเวทนาพัทธะก็คือคอนแทคเนี่ยคือสัมผัสเนี่ยเวทนาคือ feeling เกิดอา่อาอา่าเกิดสัญญาท่านบอกเกิดสัญญาอันนี้นถ้าอธิบายละเอียดไอ้นั้นสัมผาส เกิดสัญญาหมาาครั perception คือคือรู้ว่านี่คือโกรดน้ำนะ perception memory perception ค, คือคือหมายรู้จำได้แล้วต่อไปทงานจะบอกสัญญาเจตนาสัญญาเจตนาเจตนาแปลว่าอะไรทำตั้งใจมันก็ลำเอียงนะสัญญาโดยตั้งใจใช่ไมมันก็ bias perception คือเห็นอย่างลำเอียงอคติแล้วเข้าข้างตนเองนะ bias perception yeah. เป็นสองขั้นนะ yeah. นว่า hmm. ภาษาฝลังเรียกว่าเกิด i-tag อคืตัว i แล้วก็ขีด tag เหมือนเวลาเราไปซื้อเสื้อมีแท็กเนี g ่ย tag tag ว่าราคาเท่าไหร่เ น, นี่ยยี่ห้ออะไระ yeah. มีแท yeah. ็ก t a g เราก็ไปเล b ว l ไว้แล้วนี่ของฉัน yeah. ขนาดที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันบอกว่ามันเป็นอันมันคู่กันไปคู่ขนานกันไป parallel พระเจ้าบอกสองขณะสัญญาบริสุทธิ์ก่อนสัญญาบริสุทธิ์นะเกิดภาษะเกิดเวทนาเกิดสัญญาคือรั้วในขวดนา้าถึงจะเกิดสัญญาเจตนาหรือบา ง, บา ง, บางพระบางองค์จะบอกมโนสัญญาเจตนาจิตมันไปสร้างความความหมายรู้ที่เป็นอคติคือมีอัตตาซ่อนเข้ามาแล้วนะหรือโลภก็หลงซ่อนเข้ามาแล้ว แล้วต่อมาก็ท่านยังอธิบายตอพอเกิดสัญญาณเจตนานะต่อมาเกิดวิตกวิตกแล้วก็วิจารวิตกนี่เราก็กเลยกว่ามัน <c oughs> disturbing thought ยงงมันความคิดมันตะงิดตะงิดเนี่ยกระเป๋าลูกนั้นกาลังอยากจะได้ทีเดียวเลยวิจารนี่มันแนบแน่นแล้วมันเป็น obsessive thought เดี๋ยววิ่งแอามาแล้วตามคุณมาถึงบ้านเลย <c oughs> เรียบร้อยรองเท้าคู่นั้นมีเรืรอ่รรอง สี่หคู่แล้วเป็นคู่ที่หเงินเดือนก็จะหมดอยู่แล้วมันก็ทําให้ทุกข์สิไม่ได้ต้องการซะหน่อยมันเหลือมันเกินพออะไรเงี้ยมันก็เป็นขั้นพระเจ้าบอกว่ามีสองขั้นจุดนี้สําคัญเพราะว่าสติและความรู้สึกตัวจะมาตัดให้เป็นสัญญาบริสุทธิ์เพราะสติเมันก็เป็นสัญญาบริสุทธิ์รู้ซื่อที่หลวงพ่อคําก่นพูดถึงแล้วท่านเกตมาทะเขบอกว่าสวัสดงเวทนา คือคือความรู้สึกล้วนๆ น, นะแต่ mm hmm. เธอผู้รู้สึกตัวอะไรเนี่ยที่ว่าท t วั e เดทฟีแปลภาษาฝรั่ง o n วัน that feel Feel าง mm hmm. นี้ประกายเป็น mm hmm. เป็ น, เ ป, นเป็นรู้สึก Contact แล้วมี Feeling Feeling mm hmm. อะไรที่ไม่ใช่ว่าอารมณ์นะเป็น Feeling สดๆเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนอะไรเงี้ยนหะ้เป็นความรู้สึกส ด, สดๆเป็น Feeling mm hmm. อะไรเง mm hmm. ี้ยก็ ก็เกิดเนี่ยตรงนี้วิตกวิจารคื อ, อ, อ disturbing thought กั obsessive thought เนี่ยวิตกไม่ก็วิจารเหมือนเวลาคุณทำอาณาปาสติหรือทำยกแขนเนี่ยมีนิมิตก็คือคุณวิตกอยู่กับภารรษาเขาเรียก initial application มันก็จิตมันผูกพันอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวหรือร่างกายที่เคลื่อนไหวจ ะ, จะไปเพ่งแล้วก็พ อ, อ วิจารหมว่าสแตทแอพเคชันจิตมันจิตมันแนบแน่นอยู่กับการเคลื่อนไหวมันรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยวิตกวิจารแต่ว่าเป็นภาษาชาวบ้านวิตกวิจาระว่ามันกลุ้มใจอะไรเงี้ยวิจารณในที่นี้ไม่มีนอนเนนอนเนนกระล่นด้วยจออารอวิจารธรรมดาวิตกวิจารวิตกะวิจาระนะฮะอันนี้ก็เป็นอยู่ในสี่ประฐานสี่ย้อนกลับมาที่สุภสุภา มีตัณหาอุปาทานอุปาท า, า, านขันนี่ก็มีพูดไว้มันก็มีก็ในพระสูตรที่ถามว่าอุปาทานขันนี่คืออะไรคีอ mm hmm. ขันห้าที่มีอนุสัยที่มีความนอนนอนเนื่องโดยกิเลสเนี่ย mm hmm. ในในในขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณที่เป็นปัจจุบันอดีตและอนาคตใกล้หรือไกลอยา่าไปละเอียดเลวและประณีตอะไรอย่างนี้เป็นต้น คือมันมันรวมมันหมดเลยทุกอย่างครอบคลุมไปหมดทุกอย่างดีในปัจจุบันแล้วก็มีลักษณะต่างๆที่มีการครอบครองอยู่ในกิเลสเนี่ยยอมอยู่นะเลยรสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอันนี้ก็จริงๆแล้วมันไม่มีเขาถึงเรียกว่าปุคละสุญญาตาคือความว่างจากบุคคลมันไม่มีแต่ไปเกิดสัตว์ตัวตนบุคคลเหล่าเก่าในขนัน5 เความจริงก็คือชีวิตจิตใจยยนี่แหละแต่เราไปสร้างขึ้นมาว่ า, ามีคนนี้นะหมอคงศักนะอาจารย์ทรงศินะอะไรเงี้ยเป็นตนน้นก็ตั้งชื่อขึ้นมาละเป็นเกิดสัตว์ตัวตนบุคคลเป็นมนุษย์นะไม่ใช่หมานะไม่ใช่ลิงนะไม่ใช่กระต่ายนะอะไรเงี้ยเราไปให้ชื่อตั้งชื่อขึ้นมาทีม่มันก็เป็นกันนะ แล้วขันแต่ละขันก็ยังเป็นสุญญาตาเนี่ยเขาเรียกธรรมะสุญญตาหรือว่าธรรมะสุญญตาเพราะมันก็เกิดดับต่อนเนื่องกันไปเกิดตั้งอยู่ดับไปไม่ตั้งอยู่ไม่เที่ยงแท้ถาวรอันนี้ก็เป็นอุปาทานเกิดพบแล้วก็ไปสร้างพบภาวะสร้างภาวะขึ้นมาเกิดนะพบเกิดชาตนะิไปเกิดในความคิดนั่นเองสร้างจินตนาการก็ตามมาด้วยเนี่ย ลิงขึ้นมาทั้งหมดสร้างภาพขึ้นมาเกิดพบขึ้นมาชาติขึ้นมาเกิดภายในความคิดแล้วก็ชรามรณะโศกปริเทวะเนี่ยวความสุขงอมของความคิดชราแปลว่าสุขงอมของความคิดมรณะแปลว่าความหมดสิ้นของความคิดคือตายของความคิดความคิดนี้หมดไปแล้วก็เสียดายเนยีเกิดเสียดายแหมเงินไม่พอซื้อไม่ได้ รองเท้ากู้นั้นสวยซะด้วยพรุ่งนี้กลับไปเอาหายไปแล้วอะไรอย่างงี้เป็นต้นเนีก็เป็นทุกข์พอหมดรอบนี้เอาคู่หน้าเนี่ยมันเลื่อนไปแล้วแต่มันต่อเนื่องเร็วมากมันก็เหมือนกับเวลาเราฉีดน้ําเนี่ยที่จริงมันเป็นหยดน้ําต่อๆกันไปักลายเป็นพวยน้ําเป็นสายกระแสน้ําต่อเนื่องกันไปที่จริงไม่ใช่มันหยดน้ําแต่ละหยดมันหล่นเนื่องกันไปถ้าไปดูน้ำพุจะเห็นว่ามันเป็นหยดๆนะมันเป็นเป็นพวย เป็นฟองนะไอ้เป็นฝอยนะเป็นที่มันต่อเนื่องกันไปบางแห่งก็เห็นเป็นเส้นบางแห่งก็เป็นแค่เป็นฝอยๆ อ, ออกมาเป็นหยดๆออกมาเนะนี่ยมันไปแจสว่ามันเร็วมากนะพอหมดอันนี้มันก็ต่อเร็วอยไปานะเหมือนล้อจั ก, กรยานนี่หมืนต่อไปตอนนี้กําลงังไบ for แอทฮะไบฟอดแอทให้ขโหมุนต่อเนื่องกันไปเป็นเส้นทางไปแล้วเราก็สร้างภาพโพสต์ขึ้นมา มันหนังต่อเ น, นื่องเป็นเป็ น, ปนช็อช็อช็ อ, อตที่จริงต้องมี24ช็อตอย่างน้อยทําให้เห็นเป็นภาพต่อเ น, นื่องกันไปถ้ชชาช้ากว่านั้นมันก็สะดุดเหมือนสมัยก่อนเขาเล่นในวงจกักรมีรูปม้าวิง่งเขาไปหมุนไปแล้วมันเหมือนวิง่งโอ้วิ่งเร็วกเรื่อยๆพอถึง24เฟรม per second เนี่ยก็จะเห็นเหมือนม้าวิ่งควบตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นที่มาของทําไมความโง่หึงสร้างทุกข์มาจบด้วยความทุกข์ ก็เป็นปฏิจจสุบาทิสายเกิดหรือหรื อ, รอสมุทัยนั่นเองคือจตุสัดข้อสองกาไม่เกิดทุกข์ตามมาเป็นค้อหนึ่ง <c oughs> อันนี้จะดับมันทำยังไงถ้ดับจะเห็นที่ตรงไหนก็เห็นอย่างบางท่านก็จะสอนดับที่ผัสสะผัสส ะ, ะโง่แล้วมีผัสสะฉลาดด้วย <c oughs> บางท่านา จ, จะเคยอ่านพยายะสูตร <c oughs> พายะนี่ท่านเป็น พ่อค้าน ะ, ะพ่อค้ามีเรือสำเพาออกมาจากเมืองเมืองอะไรโคสัมพีน่โคสัมพีเนี่ยแล้วก็จะมาสวรรณภูมิเวยนะมาทั้งบ้านเราอะ่ะมาเต็มลำแบบว่าเรือแตกโดนพายุเรือแตกแต่ว่ารอดตายรอดตายกลับไปขึ้นจัดเ ข, ข้าฝั่ง แกลาลอนจนอนอาบาโอ้นี่เทวดามาแล้วอรหันต์อรหันต์ไม่ต้องนุ่งผ้าก็ได้เพราะสมัยนะั้นนิยมชีปเปลือยพวกพวกนี้คนมาหาวีระกลุ่มพวก น, ะนั้นนิกรนุ่งลมผมฟ้าก็พออยู่ๆไปเอ๊ะก็ดีเหมือนกันนะคนเอาลาบสักกราระมาถวายบูชาเต็มไปหมดเลย นี่ก็เป็นอรหันต์พวกเราเพื่อนเพื่อนจากชาติก่อนมาเตือนสติบอกอยู่ไปทำไมอย่างนี้มันเสียชีวิตไปเปล่าๆมีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วคือสมเด็จธรรมมาสมพทตเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนะแล้วก็ลิ่งหอบมาเลยคือคือเพื่อนท่านเนี่ยส่วนใหญ่บรรลุธรรมแล้วที่เหลือคือมีมีอยู่หลายคนนนั้นอ่า แล้วก็ส่วนใหญ่บรรลุธรรมเหลือบางท่านยังเป็นพรมอยู่ก็มาเตือนสติท่านก็พอพอได้สติก็รีบวิ่งไปหาพู้สัจจ่าหอบไปทั้งคืนเขาว่าเ ง, งินแต่จริงจมันไกลเหมือนกันจากโพสัมพีไปเมืองสาบัติทั้ง200กว่ากิโล <c oughs> อาจจะไกลกว่านั้นคือมันก็จะเป็นเรื่องต่อแต่งเติมหอบไปทั้งคืนวิ่งอย่างดีมันก็ไม่เกินร้อยโลห <c oughs> นึ่งคืน มาถึงเช้าฝอดีที่เชตาวันพระเจ้าปพักอยู่ที่นั่นสิบแปดปีในยี่บห้าปีที่เมืองสาวัตถีก็เข้าไปหาหาพระเจ้าพระเจ้าไม่อยู่บอกไปบิณฑบาตโน่นเนี่ยยังก็ไม่ยอมแพ้วิ่งตามไปที่ตลาดไปเกาะเท้าพระเจ้าเกาะขาไปเลยบอกขอให้เทศโปรดหน่อยพระเจ้าเห็นว่ายังหอบอยู่ยังเหนื่อยฟังอะไรคงไม่รู้เรื่องหรอก ออนะวิ่งมีขอ้อมาทั้งคืนยังเหนื่อยหอบ อ, อพักลกล้วน่อนนะบอกสอนไม่ได้นี่ชันเวลาปุจชาบานทำมาหากินฉัน้นแปลงหาง ก, นะก็ไปพักนะ่ท่านก็ไม่ยอมนะเขาบอกว่าขอให้ให้สอนเถอะชีวิตมันไม่แน่อาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะ อ, อืท่้นก็ยังไม่สอนรอบสามพูดอย่างนี้ท่านก็ เห็นว่าจิตพอที่จะรับธรรมะได้แล้วคือได้พักนิดหน่อยฟังดีๆนะภะัยยะเธอจงตั้งใจฟังนะ เ, เมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังสักแต่ว่าฟังเมื่อรับทราบสักแต่ว่ารับทราบเมื่อรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้ง หายะเธอจงปฏิบัติให้ได้ดังนี้ น, นั้นก็ย้อนกลับมาพูดใหม่เมื่อเห็นศักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังหรือได้ยินศักแต่ว่าฟังเมื่อรับทราบศักแต่ว่ารับทราบคือรับทราบมันเป็นแค่สีแสงแสงแ ส, งสีเสียงแสงเสงียงกลิ่นรสพัฏฐะธรรมอรมณ์อนี้ คือรับทราบสักธรรรับทรารู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งว่ามันแค่ภัสสะนะไม่ต้องไปสร้างจินตนาการตามเมื่อเธอปฏิบัติได้ดังนี้เนี่ยความเป็นเธอย่อมไม่ปรากฏโอมันเกี่ยวถึงอัตตานนเนี่ยเมื่อเธอไม่ปรากฏเธอย่อมไม่ปรากฏในโลกนี้และในโลกหน้าหรือระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ ฟังแค่นี้เพราะว่าพระพายะปิ้งเลยบรรลุเป็นอรหันต์เลยนะไม่ใช่แค่โซดาบันปิ้งเป็นอรหันต์ไปเลยนะบอกว่าเพราะว่าเมื่ อ, เ, อเมื่อมันเป็นเผียวเป็นภาษาธรรมดาเนี่ยมันไม่เกิดกรรมไม่เกิดกรรมคือเป็นแค่กิริยาคือไม่มีความคิดตอบนะคติต่อไปแล้วไม่มีกรรมตามอนะมันก็หมดเลยดับอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ท่านก็เข้าใจว่าไม่มีกุอัตตาต่อมาไม่มีตัวตนต่อมาก็บรรลุเป็นอรหันต์แล้วท่านก็ขอบวชพระอบว่าพอไปหาเครื่องอัฐบริการโดนแม่วัควคุดตายพระทธเจ้ากลับจากบินตบาดชั้นเสร็จแล้วก็บอกให้คือรู้อยู่สองคนนั้นนะว่าใครเป็นอรหันต์นี้คือพระุทธเจ้ากับพระภัยยะท่านก็บอกให้ประสงค์่ไปเก็บ ศพอภัยยะแล้วสร้างใจดีให้นะบัรจุอัถิอย่างดีพระสงฆ์ก็ทําตามทําเสร็จแล้วก็สงสยัยสงสัยอย่างยิ่งนี่มันต้องระดับอราหารอัรนต์ถึงจะได้สงสัยมากสุดท้ายพระพุทธเจ้า ก, ก็เฉลยให้ฟังว่าคนนี้ก็เป็นอราหันต์แล้วและเป็นผู้ที่ที่ประลุธทำด้วยคําสอนที่สั้นที่สุดเป็นที่ม า, าพระภัยยะสุเป็นหัวใจของพุทธศาสนาหนึ่ง ก็เนี่ยเป็นเป็นภัษะที่ภาษะที่ฉลาดไม่งโง่ภาษก็ไม่ยากนะทุกคนกทำได้ฟังแล้วเป็นอะไรหันไปบ้างอยัง ม, ม <c oughs> คีคล้ายๆกับที่ที่พูดถึงปัจจยาการเนี่ยพุดธเนี่ยเป็นปัจจัยาการอตอนพระภาษาริบุตรยังเป็นปริภาชกอยู่เจอพระอาาัสชิจำได้ไหมพระพุทธเจ้า เทครั้งแรกรรมาจากวรรสูเพระอัญญากัญญาเป็นโสดาบันได้ดวงตาเห็นท่าอีกอีกสมวันต่อมาเนี่ยรู้สึกแรมห้าค่ำไม่สามารถแรมห้าค่ำเนี่ยที่เขาบอกว่าพระสงค์ครบรอสี่ท่านจะให้ให้ตลอลึกถึงท่านให้ให้ใ ห, ให้ให้ลึกถึงวันแรมห้าค่ำเนี่ยของเดือนเดือนนะว่าเป็นวันที่พระสงค์ครบครบองค์ ่อนท่านสละสมนาเพศมาครองราชเป็นหลอสิท่านมีลูกศิษย์เยอะเหมือ น, นที่เป็นพระก็บอกให้นึกถึงบรรเลงห้าคำที่ส่งก็ด้วยอนัตตลกนณสูตร อ, อันนี้ก็ย้อนมาถึงถึงตร ง, น เ, ร เ, นนนงเนี้ยพระกรทัญญาวัปปพัตยามหานามัสชิองค์สุดท้ายเนี่ย กำลังบินทบาตภาษาริบ ic ุตรเป็นเป็นสิทธิ์ของสัญชัยปริพาชกซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหามากกับพระโมกขลาสององค์บอกว่าตอนนั้นไม่แค่เป็นปริพาชกเป็นพรามว่ถ้าเจออะไรดีๆเนี่ยให้มาบอกเพราะว่าเบื่อแล้ววิธีนี้สอนอมาราวิกเกบเคปิโกวาแล้วเนี่ยคือสอนกลับไปกลับมาเนี่ยคือคือเลื่นมันปไหลอะอะไรๆก็ถูกหมดอ่ะอ แล้วก็พอเจอพระสัจจิเห็นงามพอท่านฉันเสร็จก็เข้าไปหาบอกว่าบินฑบาตเสร็จก็ไปหาบอกว่ามันงดงามจังเลยใครเป็นครูของท่านท่านก็บอกท่านเป็นพระบุตรใหม่ท่านทําตนบอกว่าจะมาเป็นพระที่จริงเป็นอาลหันนะนะเป็นศาสนาที่แปลกนะบรรลุธรรมพระเป็นอาลหันเป็นครูสอนเต็มเต็มตัวเลยนะเขาบอกฝรั่งเขาบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ เกิดขึ้นใต้ต้นโพโดยสมบูรณ์คือตอนพระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้อัศจรนะแล้วไม่ต้องเข้าคอร์สกี่ปีมีกี่ปีที่จะเป็นอาจารย์นะเป็นอรหันต์สอนได้เลยแบบนีท่านก็บอกท่านเป็นพระบรมใหม่อฟังให้ดีนะอบอกว่าพระุทธเจา้าตัดว่าพระตถาคตตัดว่าทําได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงตัดถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดำแห่งธรรมนั้น พระมหาสมณะมีความปกติมีความเป็นปกติเช่นนั้นคือสอนอย่างนี้เป็นธรรมดาแค่นั้นนะพระสารีบุตปิ้งเป็นพระโสดาบันแล้วยังไม่เจอพระเจ้าเลยแล้วพระสารีบุตรขับประโยคนี้ไปบอกพระโมคคัลลานะซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นพระโมคคัลลานะฟังแค่นะัปิ้งเหมือนกันโอ้ทําไมพุทธศาสนามันง่ายแล้วเกิดทาไมเราไม่บรรลุเขาไม่เห็นความคิดเนี่ <laughs> <c oughs> มันไม่ยากนะที่จริงนะมันแสดงว่าเคล็ดลับมันไม่ยากแต่เราทําให้มันยากที่หลงพ่อเทียนบอกบอกบว่าพุทธาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องยากแต่เราทําให้มันยากแล้วบางทีเราไปติดภาษาแขก์ท่นบอก <c oughs> ไม่ใช่ภาษาไทยเพราะนั้นท่านบอกว่าท่านสอนเนี่ยมันพยายามไม่ให้ไปเ ป, เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคําที่ท่านสอนเพราะมันพระผิดความหมายไปก็คลาดไปเยอะแยะเลย นั่นก็เลยสรุปสรุปให้ฟังว่าเนี่ยคนเราทุกข์เพราะความคิดถ้าเรารู้วงจรความคิดมาอย่างไงเนี่ยมันก็จะจบที่ตรงนี้มันง่ายมากนะมันเป็นปัจจัยการมีเหตุและผลนะถ้าเราจับความคิดได้ก็เป็นต้นต้นกระแสที่จะเข้าไปสู่นิพพานต่อไปนี้มันก็ไม่ยากมาอยู่แต่เหลือเวลาที่มันจะแตกหักนั้นมันหลุดพับมันก็รู้เองมันก็รู้เองว่าโอ้มันแตกหักแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เหลือวิสัยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเเพงก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่นะท่านะนเป็นผู้บริไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือคือไม่มีภัษะโงนะ่ไม่มีไม่มีคือขันห้าเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเช่นไม่มีความเป็นคือรูปไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้มีรูปนะือเราไม่ได้เป็นเจ้าของรูป คือเราและของเราก็คือไม่มีไม่เป็นนะไม่มีเราแล้วก็ไม่ไม่เป็นของเราคือคือรูปหรือเวทนาก็เช่นกันอะไรกับอะไรก็คือคือไม่มีไม่มีเราในในรูปในกายนี้แล้วก็ไม่มีกายนี้ในเราอันนี้เป็นส่วนย่อยออกไปเป็น3แลส4คืออะไรกับอะไรคือมันลิงก์กันหมด คือท่านท่านเห็นหมดแล้วมันเป็นแค่แค่ผัสสะมันก็จบกันตรงนั้นไม่มีเหมือนพระปัญญารู้เห็นจบได้ยินนะเห็นไดน้ได้ฟังก็จบแค่นั้นรับทราบรู้แจ้งไปเลยฟังดูไม่ยากมันก็ต้องมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาคือความเพียรเพ่งเผากิเลสแล้วก็มีสติและความรู้สึกตัวซึ่งเป็นบันไดที่จะพาไปถึงจุดสุดยอดคือการคือ จุดแตกหักว่าทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกจากความคิดนี่ได้ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ทำได้ทุกคนทำได้ไม่ว่าชายหญิงเด็กผู้ใหญ่นะะรู้ไม่รู้หนังสืออาชีพต่างๆนะะก็ทุกคนสามารถทำได้มีบางบางท่านเรียกว่ามีหนอบทะอยู่แล้วในทุกทุก ท, ท, ท่านท่ารูนะ้ก็มีแค่นี้ก็